50 languages. 38. 8ในรถแท็กซี่ t ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยค่ะไปสถานีราคาเท่าไหร่คะ สนตักกนาลเกไปสนามบินราคาเท่าไหรคะวายดตักก่นาล่ะเกรุณาตรงไปค่ะครการรุณาช่วยเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะรการุรุณาช่วยเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมค่ะ กรุณาขับเกอุสนุกขึเจ้าดิฉันรีบเมีเดีฉันมีเวลาดีวฉันมีเวลาเดีฉันมีเวลามีลาเดี๋ยมลาเันมีาเลาดี๋ยมีเาันีาลาเดีมาเดาดีานีลีลาวาดีนี กรุณากรุการอสักครู่นะคะกร่ะเกเดวเดี๋วดิฉันกลับมาค่ะแม้ทอัดาฮีขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะกร่ะเมนเด ดิฉันไม่มีเงินทอนรคไม่ไม่เป็นไรที่เหลือนี้ให้คุณค่ะทีคบกตวขับไปส่งดิฉันตามที่อยู่นี้ค่ะเมนูขับไปส่งที่โรงแรมของดิฉันด้วยค่ะ เมนูเมเร่โฮเทลเติลเล่ลขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะเมนูกินาะรเติลเล่ล